หวนตวงเราอยู่โดยกลำพังลําพังมันก็จะดีกว่านี้ธาดขันนะมั้งเม่าการประชุมบรชวงพระมันก็น่าจะได้ตามกำหนดที่เราต้องการแต่นิ่ที่มันไม่ได้ก็เพราะว่าเราแบ่งทางนู้นบ้างทางนี้บ้างพอตกเย็นมาแล้วมันอ่อนไปหมดแล้วกะวัานไหนก็กะแล้วกะเราอยังจะประชุมวัานไหนกะเจ้าของไม่แน่แล้วก็หยุดเยอะเลยคือมันรู้อยู่ไหนนี่ หายไปมันหาวนะครับถ้าอันนี้มันอ่อนก็อ่อนมันหาวเลยเลยละเป็นขอมันเองอยู่เฉยมันไม่เป็นไรมันไม่มันไม่เพียร์ภายในมันก็ไม่หาวเพราะไม่ใช่หาวอยากนอนนี่มันหาวเพราะความเพียในภายในนะเป็นไงท่านปักกูฟังเทศวันนี้แล้ว คุณน้อยที่บวนใหม่ล่ะเป็นไงฟังเทศจิตสงบอยู่ไหมว่ขาขณะกลังมันอยู่กะที่เหรอรอืมอุช่ล่ะเป็นไงใช่ยเหมือนกบเต้นเหรอ ร, <laughs> ร, ะะระยะระยะที่ท ที ue, a, outgoing, ่ม <morning> ันสงบระยะระยะที่มันสงบมันก็เต้นเหมือนกบใช่ไหมบางทีเขาเรียกว่าห้วนเสือเต้นคือห้วนเสือโดดนะในภาษาบางภาษาเขาเรยมันเต้นเต้นกบเต้นเต้นมันโดดมันโดดอย่างที่เขาสถานีทางนู้น่ะแยกจาัดจันคอยมาทางนี้อสถานีห้วนเสือเต้นว่ะ เสือมันกระโดดข้างแล้เสือเต้นกบเต้งทีๆก็เกหวย่กระเด้งห่วยเต้ น, นบัก น, น, น, นั่นหมายถึงเสือห่วยกระเด้งหวยกเด้งนี่ก็คือเสือมันเลยเสือเต้นคุไม่ไกัดรัวได้กดััวปา วัวแดงอ่ะมันก็ล่ากหัวไปล่ากหัวไปแล้วไปถึงห่วยนั่นมันก็วางฆ่ากหัวไปแล้วมันก็ไปโดดก็ลองดูน่าปัญญาเสือยื้งมันไปโดดเขาลองก็ทงานไ่เขาลองก็ไม่มันก็ไม่ฆ่าบัวโดดดกว ก็วิขาโยนตัวเ่ามันก็โยน้อยู่โยนกลับไปกลับมาความมันก็เห็นข้าวอะด้ายตางอย่างผมว่างะมันก็มาฆ่าวัวเป็นโยนเข้ฆ่าวัวแลัวความวัวโดดแล้วโดดก็ลงกลางห้วยพอดีแล้ววัวก็ทับมันเลยพอดีตายวัวทับเสือมันเสือก็ตายตรงตายเลย มุกในฟังเข้าไปเขาก็ไปเห็นในที่ผลิตได้ทังหัวทั้งสือตายใหม่ๆเรื่อยๆงั้นเขาก็มาพิสูจมาดูมเป็นยังไงมันม า, างไงมันมาโดดนีนะเขาต้องได้เห็นชัดเจนนะ่ะโอ้ก่อนที่มันจะโดดนี่มันก่อนที่จะมาเอาเอาวงวแบบพันตอนนั้นอนะ่ะมันโดดทดลองก่อนนู่นฝั่งนู้นฝั่งนี้รอยมันแหลกฝั่งนู้นรอยแหลกฝั่งนี้มันโดดทดลอง คนนั่งมามันก็ข้าบัวแล้วก็โด่งก็ลงน้ำเสือกลัวมันหนักแล้วนี้เวลาเราก็เราจะเรือกเรยห้วยเสือเต้นไม่ได้มันมากลวนึังคุลพวกไอ้การเขาไปนอนตานทหารนูนนี่นั่นแล้รนอนตานไปนอน่าเนเพราะมาห้วยเสือเต้นไม่ได้มันมากลวนกันคุลไม่ได้นอน มันพอได้มันก็อาจจะมันจะทำคนพอทําได้มันจะทำเลยเพราะงั้นถึงนอนไม่ได้ก่อไฟขึ้นในกามกระหว่างเพราะตะกอนมันมีใครฉายไว้ถึงปืนก็ชันแน่มันเห็นนึงคือสัตว์อันนี้มันรู้ปืนนะอืบางทีเราพอทําท่าพอมันมีอะไรตัแปลกบมงทีมนไหม้เสียงมหนมันหักคิดปกตินี่แล้วก็ลุกขึ้นก็ทำท่าจากปืนยก สายเล่นสายนี้มันรู้นะมันท่ายกปืนสายเลนี้มันก็ถอยออกไปมันดูนี่มันมากวนอย่งนั้นเพราะว่ามันจะบลกว่ามันมีผีเขาถ้าพูดถ้าพูดเรื่องเสือเรื่องอะไรไม่ได้พูดเรื่องม้ากันไม่ได้ในป่านถ้าพูดเรื่องเรื่องหญิงเรื่องชายชายหนุ่มหญิงสาวนั้นชอบไม่เป็นไรผอมันทอบ ขุนกุลบุรุษโบราณเท่าแก่มันพวกก็รู้จักมันก็จะมีความจริงอยู่บ้างเพราะทุกวันนี้ความเมื่อ่ขื่อมันก็มีองมมันฝันมันโดนนี่มันโดนป่าต่าป่านี่มัป่าขื่อจริงจริงมาขื่อมากขื่อทหารมากขื่อเรามีมากด้วย ผ um ู len, uh? ้ถึต้องเต้นแต่สาวะเต้นขบเต้นสัตว์ตันี้มันจะท่าไปไหนได้รู้ว่ามันจะตายสมบูนัทําให้สงสัย พวกหมูพวกกวาง อ, างอางาะไรนู้นเราแปว่าอ่ะมันไม่มีปัญญาจะไปได้แหละนะเสือยังพรหมปัญญาช้างยังพรหมปัญญาแรกก็ยังพรหมปัญญาก็ะทิงวัวแดงอันนี้ก็พรหมปัญญาบ้างพอที่จะไปหาดงอื่นตาอื่นเขาสตัตรงนี้มันเคยอยู่หน้าพ้าไปประมานี้นะ เส้นทางก็มีหัวหน้าผงพาไ ป, ไปนู่นไปสัดว์ก็เที่ยวหาเสือก็เที่ยวหาปินไต่มากมันกมันฉลาดด้วยมันก็น่าจะหาที่หลบและถ้าไปดงอื่นไปก็อาจจะเป็นได้หากไม่มากก็น่าจะเป็นไปได้อยู่จำนวนน้อยอยางสงสัยกัดระเทื่อยหลืงเนื้น มันมากจริงๆเลยก่อนดูนี่ช้างนี่โขงหนึ่งตั้งสี่สิบหนะ้าสิบน่ะฟังด้วยวาม่ใช่โขงหนึ่งโขงเดียวนะเป็นโขงโขงด้วยนะมันจะตายจะต้องหมดนั่นหนูทำให้ดีจบแรกนี่เพราะว่าช้างนี่มันข้ามไปทางฝั่งลาวนะช้างและแรกมันก็ไปกับช้างได้พวกนี้มันมันไปด้วยกันแรกมันจะไปกับช้างเสมอ เขาว่มันข้ามข้ามไปแม่น้ำโขงไปประเทศลาวอกช้างถือว่าก็ข้ามได้เตาอยเมื่อมันจะมีไประชันนั้นมันจะอย่างหนึ่งก็เข้าไปทำกรงอย่างนั้นไปทางจังหวัดลูเพราะมันเป็นมันมันมีหัวหน้าเคยพาไปพอมาเพราะเห็นถ้ามายากลมันก็อาจจะพากขงมันไปเพื่อนฝูงมันไป ก็ไม่สงสัยจะควายป่านี่น่าจะหมดไปเลยหรือยังหรือมันจะพาอะไรทา้งหลายมาควายป่า น, นี่มีนะก่อนควายบ้านล้าไม่กลัวมันมากที่เดียวตรงนี้มีเดี๋ยวนี้มันมีทางภาคใต้นั่นละมั้งควายป่านะถ้าอ่ น, นนะมีไว้นะเพิ่งจะมีทางภาคใต้ อาจารย์มหาทองสุขท่านไปเชื่ยวทั้งไหนทั้งภาคต้ตนั่นเนี่ยโหยควายป่านี่เป็นฝูงปูงหังวรมันมีเยอะอนนคงจะยังมีเหลืออยู่ในภาคใต้นะควายป่าเขาคงจะสงวนพันมันอันนั้นเราพูดที่ได้เราพูดทงตร ง, งเหตุที่จมีเรื่องต่อกันไปนะเมื่อตอนออกพรรษาแล้วนั้นผมเข้าเตรีจะฟอรเก็บเกี่ยวแล้วมั้งเ่ะ เราเลยาถ้าไปเที่ยวดูโครากก็บอกออกไปถึงกุ้งคำปอกคำแปง่งก็จะข้ามเงินไปไม่ได้จะพานขาก็เลยเลีอยไปทางน้นไปทา ง, ทางออกทางบ้านหนองชผยน้ำเพลไปเรื่อยดูป่าก่อนป่าใหญ่ป่าหลวงมันเป็นไงอ่ะไปดูมล้ก็ลุกมาทางนี้หมดเลยวะเป็นสวนทั้งหมดไม่มีป่าเลยอ่ะพอว่าง พี่ท่าก็บอกวมันหมดไปนานแล้วมันเป็นคนละโลกแล้วแหละที่เราเห็นแต่ก่อนมาเดี๋ยวนี้ยังเป็นคนละโลกไปหมดแล้วแหละอันว่างกันพวกสัตว์พวกอะอะไรก็คิบหายไปหมดเจค่ะเลยพูดไปถึงสัตว์เงื่อนเสืออลไรอะไรคงตายไปมากแหลอทางนั้นทางนั้นเจค่ะพูดถึงเรื่องว่าพวกสัตว์พวกวัวแดง ตอนนี้เขาเรียกวัวปลาเรียกเมยกระทิงเ่ะเรียกเมยตัวดำๆช่างเก็๋ยวจตามไล่ยิงมันไล่ยิงเมยอกระทิงไปที่ไหนมีนจะเสือตามมาเงี้นเดี๋ยวเราตามช่างไปก็เห็นเรเสือตามไปก่อนแล้วมังได้เตือนกันกพวกพรานมา ไปนะหมองดูแต่ช้างนะมองดูนี้มันจะเหมาะอยู่ไหนนะดูมันด้วยนะาบานบอกคนมันมากแต่ก่อนช้างก็มากเสือก็มากมันตามกินช้างกินลูกช้างตามกินพวกกระทิยวัวแดงนนี้เราพูดถึงเรื่องวัวแดงที่ทุ่งจะว่ากันนะทุ่ง ทุ่งมะเกลนเขาเรียกทุ่งไอยเกลนเกลนเกนมันชื่อมันคงเป็นเกลนมันมาตายเงี้ยเขาเรียกถ้ำมะเกลนทุ่งมะเกลนนั่นนี่ตอนกลางคืนวัวมันออกมาสองตัวมันมาหากินที่ทุ่งนั้นไอ้เสือตัวนี้มันมันคงไปดักเรื่อยแหละถ่ามันพอมันเจอแั้วมันก็หมอบอยู่ป่านั่นแหะตังหมองตังแหม่ะหมอบอยู่นี่พอวัวมาสองตัวมาไกล้นกห่ว มันสร้างมันจริงไปนานนั่นแหละเขาเพิ่งไปเห็นไปก็พกทานสี่ห้าคนทานมาไปดยการจอดนั่น่าไปเลยไปเห็นไปเห็นรอยรอยมันเหมาะอยู่ตรงนี้วัวป่ามานะสองตัววัววัวแดงนานสองตัวโอ้ยมันโดดถึงนี่ตกโน้หนหัวหนึ่งเหมือน เลยเป็นลอยเป็นเป็นทางอย่างนี้เลยมันโดดบอะงั้นโดดถึงนี่ตกแล้วโดดที่สองก็ถึงวัวบอกงั้นไ้ได้วัวตัวนั้นตัวหนึ่งก็เลยเห่นนี้เห็นรอยมันเห็นนี้แต่เห็นอ้าวนี่รอยมันเอาวัวนะเนี่ยะมันพอมาเห็นพอมาดูตัวรอยเห็นรอยมันแหลกแหลกนั่นอ้าวนี่มันไม่ใช่เสือกัดวัวเลยมาดูดูย้อนขึ้นมาดูที่มันหมอบนี่มันหมอบคอยทีแล้วโดดโดดบุกป่าไปเลยแล้วตกนั่นแล้วโดดที่สองก็ถึงวัวบอกงั้น มันก็พัดกับวัวแล้วได้หัวมันก็ล่าไปกินที่นี้เราก็ตามไปแจะจะล่าฟั่งไงล่าเมา่สองสองวันนี้วันพระน่ะตามไปไปดูแปลวเขามันละกนแต่ต้อเมื่อมันเอาไปกินหลายวันนี่มันนานไม่นานเนี่ยรอยมันเหนอหนึ่งรอยมันล่าไปหนึ่งรไปตามไปว่ะแต่ระหว่างเจ้าของมันอยู่นั่นน่าห่างกันพูดกันนะมันห่วงสร้างนั่นนี่เพรามแถวที้ไม่มีไทย หมามันจะต้องหยูกตามแถวใกล้ๆให้เละมันมากินเป็นประจำกันะไปต้องระวังมันด้วยนะหวังพูดกันเตือนกันแล้วก็ตามรอยไปตามรอยไ ป, ไปเห็นก็เห็นซากมันจนจะหมดแล้วเนี่ยมันเน่าจนเลยเน่าไปแล้ว <c oughs> ก็ไปเห็นเขามูนี่เขามันเอาแล้วหวังพูดกันนะ <c oughs> มันอยู่นั่นเออมันไม่ไดเนี่ยนั่ น, นแต่มันแต่มันไม่คํารามนะ คงจะเห็นมาทั้งนี้หลายคนด้วยแล้วก็ปืนอยู่บนบาทุกคนด้วยถึงอย่างนั้นมันนั่งมานะตังสิถ้าเป็นคนเดียวดูโอ้มันจะเอาจริงแเน่แต่นี่มันหลายคนนี่คนไหนก็ปืนอยู่บนบาทุกคนทุกคนมันมองหูมันก็รููหน้าตากันนี่นี้ก่อนพอได้พอนห้นเขามันโอ้นี่เขาวัวกับพ่อของหลวงพ่อนี่แหละคือพ่อของผมน่ะพราะเป็นทานประมุ่งเราจะเอาเขามานี่แบบเลยแบบเอาหัวที่หัวมันที่มันนั่นไปได้เนี่ย แบบเอาเลยหวังเอ า, เอาพอโยกอันนี้ขึ้นบนบา่าเอาออกมาเลยผ่านอีกคนนึงในบ้าตกุฎอนอ้านั่ น, น, นะ น, นตัวมันหวังกันเพราะว่ า, วายกปืนออกปล ด, ดปืนออกจากบ่าเลยทํานี้เลยแย่แบน่นนั่นๆั่นเห็นไม้นั่นอ้าวสู้ไปกูจะถอยหลังก่อนนั่นนั่นเห็นไหมนั่นนั่นมันมาแล้วเจ้าของมันนั่นน่นดูสิกลางวันนะ มันฉากฉากฉากมานน่นแล้วมันไม่มาใกล้เห็นมันแล้วนี่ยมันก็ฉากฉากมาคนก็ออกไปพวกทิดไปตะไบไปต่างถอยหลังไปเรื่อยพวกนี้ก็ถอยหลังนะแต่ต่างคนก็มีปืนนี่เอยกปืนขึ้นดูเลยผู้พาเดินกับพาเดินนักนดูสิกลางวันมันไม่ให้เสียงเลยนะมันฉากอยู่ไกลแล้วมันไม่กล้าเข้ามาละเพราะมันมองเห็นปืนเนี่มันมันก็กลัวแต่ความอำนาจความหึงหวงหนึ่ง มันจะแผ่อำนาจของมันให้คนตัวหนึ่งฉากตามแต่คนกันเดินไปเรื่อยเอากระดูกวัวเอาเขาวัวไปเรื่อยไปเรื่อยมันจนกระทั่งไม่เห็นตัวมันมันฉากไกลๆเห็นตัวมันแล้วก็พากันไปไปก็บอกกันเรื่อยละพกพานนะครัพานเขาลาดผมเดินไปนั้นก็ต้องดูทุกทิศทุกทางอยู่ธรรมนานนี่คนตาคนมันตาปัญญาถึงมันหมออยู่ม่นไม่กระดูกกระดิก็รู้ว่าเป็นเสือกดูตาม ทางไปน้าหวังบอกกันมีปืนสี่หร้านะเดี๋ยวมันหมอดขั่งหน้าไม่ได้น้าถ้าเจอเเอาเลยน้าหวังบอกกันเอามันแหลกเลยน้าถ้าเจอหวังเขาปืนสี่ห้าก็บอกนี่ต่ปืนที่บรรจุไวอย่างเต็มที่เต็มที่ตั้งแต่ช่างมาก็ถึงวัวแดงมันตายตรง น, นั้นน่ะครับยมเข้าไปป่าไปกลแล้วปืนนั้ไม่ใช่ปืนลูกซองลูกแ ส, ส้ที่นั่นเราโดยเฉพาะปืนค้บศีลา รงบันทึมกมากๆไม่เผื่อมดเลยทุกอย่างแต่นี้นึกว่ามันจะแล้วว่างั้นแต่ก็เตือนกันคืนก็เตือนเดี๋ยวมันตามมาน้าว่างนันนึกว่ามันจะแล้ววันนี้เราต้องไปนอนถ้ำหรือ ว, วันนี้ว่างั้นไอ้นี่มันจะตามเราหน้านี่แนะก็เลยไปนอนถ้ามาเกินอยนู่วางันนอนนอนในถ้น า, ถานะฮะให้มันมาถ้ามาก็มาด้านหน้าทางเดียวทางหน้านู่น ให้ดูไว้ทุกสิ่งทุกอย่างดูไว้หมดอะไรเป็นพุ่มเป็นอะไรให้ดูไว้หมดหน้าเขาบอกบางทีมันมาหมอยไม่เห็นไม่รู้นะอะไรผิดเนี่ยให้ปืนป้ากับเป็นวันเลย <c oughs> ม น, นอนก็ก่อไฟเล้วันด้านนั้นถ้าก็ดูวัวก็เอาไว้ข้างในกับคนกลนงคืนมามันมาเนี่มันจะขึ้นบนหลังถ้ำน มันไม่กล้ามาตรงนี้นะมันมาตรงนี้มันก็คงมาแต่แต่ทำไม่กล้าเข้ามามันก็ขึ้นไปบนหลังถ้ำมันมีดินทรายมีรอยอยู่บนหลังถ้ำโอ้ยมันมานี่ไม่รู้กี่ครั้งกี่หนรอยมันตนแหลกหมดมันมาแล้วก็มาส่องลงไปนี่คนนอนอยู่ใต้นี้แล้วมันก็มามาส่องนี่แล้ก็ถอยกลับไปแล้วรอยมันแหลกหมดมันมีดินทรายแล้วก็มาส่องหันเบอร มันถ้ามันพอเอาได้มันไปเอามินนะนก็เสือโค้งใหญ่มีตื่นเช้ามาไ ป, ไ, ปไปหาดูรอ ย, น เ, นยเห็นรอยกังโน้นเห็นต่มันไม่กล้าเข้ามากกนเห็นรอยไม่เหมือนแล้วเวลาขึ้นอยู่บนถ้ำโอ้ยรอยมีของกุตตจหมมันนีได้แหละเ น, นี่ยนเป็นอย่นัน แล้วมันตายหมดแล้วผมว่าแบบนี้ไมีมเหลือแล้วพวกนีก้จะตายไม่ตายก็จะพ่ายไปอยู่ไหนก็ไม่รู้นี่ที่เทียทเ่ยวไปเที่วป่าที่ผมเชื่ยวอะไนั่นก็มีแต่ป่าเสืองั้นนะแต่ก่อนสกุลมีนํานเหนือกว่าความที่กายจึงต้องหาดักดานเจของในที่นนั้นนหาอยู่ตามป่าตามเขาคือจิตมันตั้งท่าเนี่ยความตั้งท่าคือสติ ไปที่งานที่ดังแข่งเหมือนกับหมดคุณค่าราคาหมดเลยในดวงเรเหมือ น, นภาพชิลิ้วเนหะมือนกับพูดภาษาทางภาษาอีสานก็จะว่าโศตายคือสละตายเลยนี่กับภาวนาดีเนี่ยมันแตกนะเวลาสละจะสู้ถึงที่อย่างแล้วความกลัวก็เลยหายหมดมีปกติแล้วไม่ได้รบอบอมันลนะความกลัวนี่นะมันสละถึงที่อย่างแล้วมันก็เลยหายกลัวก็เลยอยู่สบายไป เวลามันกลัวแก้มันด้วยวิธีต่างๆนั้นเราก็แก้นั้นมันมันหายด้วยการทรมาการฝึกกันอันนี้เพียงเอาความถนัดตายเข้าไปเฉะนั้นมันก็เลยหายกลัวนี่จิดก็สบายเต้านาดีเนี่ยมันเป็สอนให้ไปอยู่ในตานั้นเขาในที่ไหนที่เปลี่ยวๆคนน่ามันไม่มีที่พึ่งก็มาหวังกึ่งตัวเองไงที่มันกลิ่ก็ย้อนเข้ามา อราจาศัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์เรานี่เป็นหลักไปยนู่นก็ออกเที่ยวถ้าอยู่แถวกล้เชียรประวนันคับสิบห้าสิบหกกิโลนี่ก็มากลับได้เราอยู่ใจวันนานๆต้องเป็นเดือนอเดือนกว่ากว่าถึงจะมาถึงมันไกลเป็นอย่างมาทั้งอำเภอวังสะภูมิกับน้องผือมันไกลเดินทางต้องค้างคืนกว่าจะไปถึงไม่รู้ว่ามีเวานไม่ต้องถามพะ ม, มันไม่คิดถึงมันแต่ก่อน ถ้ามาแาบนี้แล้วต้องนานๆถือจะได้กลับแต่จินเป็นเดือนสองเดือนมาอยู่แถวใกล้เคียงชิดสี่ิห้ากิโลจะมาวันไหนเวลาไหนก็มาเพราะข้อกอังวลใจเกิดขึ้นแล้วมันดูก็ได้แหละมันต้องมาพอฉันเสร็จแล้วก็ล่างบ่าเสร็จบาก็แล้วก็บึ่งเลยคนเดียวไปถึงมันก็ประมาณชั่1โม0สิบเอ็ดม้า พอตอนบ่ายโมงสองมงท่านก็อกอกจากที่แล้วขึ้นหาน่าน ม, มีพุร อ, อะไรมาทำซะก่อนอยากจะกลับไปที่ภาพเราเมื่อหไรแล้วบางทีจมกลางมื่อยจมืดค่อยไป <c oughs> ก็ภาวนาไปนี่แต่คนเดียวเสือเยอะนะแล้วไม่สนใจยิ่งกว่าการภาวนาไม่สนใจกับภาวนาเหมือนดงทั้งนั้นนี่น้องคือแถวนั้นน่ะมีแต่ดงทั้งนั้นดงเสือทังนั้น แต่แค้นที่มันจะไปมาเป็นอารมณ์มาเสือไม่อยากไปเมื่อไหร่ก็ฟังกลางคืนไม่นจุดไปนั่นไปวัดเจ้าของไปที่พักเจ้าของบุกไปงั้นเขาทังมันจะแค่ดูคอไปได้อีานาีอนลยโอ้ทุกยากิลาบากมากในการฆ่ากิเลสถ้ายากจริงๆอ่ะไม่มีอะไรฆ่ายากในแบบกิเลสผมไม่กล้าพูดเลยที่ ไม่มีอะไรแหลมคมนี่กวีความฉลาดแหลมคมนี่แหม่แหม่ยังไนอ่ะตกลึกตรริติปัญญาที่เป็นฝ่ายธรรมนี่ไม่ทันมันก็มันก็เหยียบ ห, หัวเราเหยียบเราเะนันต้องสอนก็เหมืองพูดเพราะพูดด้วยความถึงใจนี่เราไม่ได้พูดแบบรู้คำคำเลยเราพูดอย่างนี้ไม่ใช่อวด น, นะถ้าสิ่งใดที่เคยผ่านมาแล้วนําสิ่งที่ผ่านมาแล้วทั้งเหตุทั้งผลเาพูดให้ฟังสุดท้ายที่มันมาเด่นแทรกับหัวไม่มีอะไรค่ายันอยู่าค่าทีเ่เด็ งานไดก็ตามมันมีงานใดหนักยิ่งกว่า ง, งานฆ่าเด็กเนี่ยมันลงนั่นหมดอุบายวิธีอะไรก็ตาม ส, สติปัญญามีอะไรได้ทุ่มมาหมดงาน อ, อื่นเราไม่เห็นใช้สติปัญญานาั่งหนาอันนี้ใหม่แต่มันใช้อยู่ภายในมันไม่ได้มาสมองสมแขงเพราว่าใช้สมองใช้สมแข ง, งถ้าเป็นความจําำนะใช้สมองผมก็เคยจําผมเคยเรียนเวลาเรียนมากๆนี่ความจํานี้มันก็ไมาใช่ที่สมองสมองทื่อหมดเลย มันไม่จําอะไรให้หยู่ซะก่อนเพราะมันเหลือแต่ใจที่จะเอาจะเอานั้นที่มีความจํามันไม่จําห้มันถืุยบนสมองแต่เรามาใช้ทางด้านสติปัญญาทางด้านธรรมะมันไม่ได้ขึ้นสมองนี่นะมันไม่มีในสมองมันมีอยู่ตรงนี้กาสงบมันก็สงบอยู่ตรงนี้ตรงกลางมันละเอียดอ่อนขนาดไหนจิตมีความป่องใสยังไงมันก็รู้อยู่ตรงนี้รู้อยู่ตรงนี้ดูนี่เวลาสติปัญญามันก้าวออกคือมันสงบอยู่เป็นสมาธิ เป็นพื้นฐานสมาธิมันก็สบงบอยู่ตรงนี้ตรงกลางเนี่ยเห็วลามันออกทางด้านปัญญาไม่ไม่ลาออกทางด้านปัญญามันก็ออกอยู่ในนี้ภายในหมุนติวต้วติวต้วตอยู่ภายในมันไม่ได้ขึ้นสมองเลยนี่ต้องทําความจริงกับความจําความจริงความจามจต้องออกมาใช้บนสมองมาทํางานบนสมองความจริงภาพปฏิบัติมั น, นอยู่ภายในใจหมุนติวต้วหมุนติ้ว ออกไปดูน้องผือเปลี่ยนสภาพเป็นหมดเลยจนจำไม่ได้นะอกสามสิบปีทึ้งนี้กลับเป็นน้องผือปีการ์ยังเป็นน้องผือสามสิบปีเต็มๆนะออกจากนั้นเดือนพฤจิกาทันวามโมกกากราุ่มปาเมนาเมษาพฤษภาบิทุนาสามปีกับเจ็ดเดือน มิถุนาก็วันที่ยี่สี่เมื่อไหร่ไปนเพรนี้ไปดูไปน้องผือไปดูผิดสภาพเก่าหมดตัวบ้านน้องผือก็ดีที่ไหนๆก็ยิสถานที่ต่างๆที่เราเคยไปมามันเป็นไรเป็นสวนไปหมดเลยแม้แต่วัดน้องผือดูสภาพไดที่จะเหมือนแต่ก่อนไม่มีเพราะชาลาหลังแต่ก่อนก็รื่นแล้วแตเชาลาใหม่ขึ้นมาเทีย่ยมันก็เปลี่ยนสภาพไปเทีย้ยเปลี่ยนไปนหมดยังเหลือแต่ต้นพอเห็นว่าเป็นสภาพเก่าต้นกระบก ตัวหนึ่งเท่านั้นอ่ะตอนนั้นเราจําไม่ได้ว่าเป็นสภาพเก่าสภาพใดยากจริงๆเรื่องวิ่งกีฬาเป็นเริ่มยากมากจริงเหนียวแน่นมั่นคมละเอียดละออมากสวมรอยเต็มที่สุดพอมีกำลังบ้างน้อยพูดอีก ก็พูดไปกันยุ่งสุดี้งั้นแล้วไฟผมเผาเมื่อวานออกร้อนอยู่อกลางวันเช้านี้เรียงไหนนีด่ดำมันคันในลึกๆพอเผาไปงั้นแหละคาถาวัดไหนถูกเผาแล้วมันก็ไม่ค่อยแสดงความคันเพราะไฟ ที่มันนี่หมดพิษตอนนี้แล้วมันมันก็คันขึ้นมาเมื่อวานเอาเอาหนักเมื่อวานก็เผาเลย <c oughs> เผาเหมือนเผาไม้เผาฝืน่ <c oughs> มันเจ็บมันกรู้เจ็บมันร้อนกรู้ว่าร้อนอยู่ตรงนี้ตรงนี้นเผาตรงนั้นจนกระทั่งเวลาเราหยุดแล้วโอ๊ออกร้อน <c oughs> อย่งนจนกระทั่งถึงกลางคืนออกร้อนจากหัวมันมันไม่คันต่อลแล้ว วันนี้หายเงียบถ้าออกร่อนก็ไม่ออกร้อนคันก็ไม่คันเงียบไปวันนี้เร่องฝนจะหยุดรึงไงแต่ฝนจี่ต ก, กมันคันพอแล้วเต็มพระไทยสารโลกทั้งหลายไม่เห็นทั้งไมถาสงสารมีทุ่มลงอุบ่ากำลังสอนลำบากระบนแล้วก็ตามทนพระองค์ทนพระพระเมตตา ม, มีกำลังมาก เพื่อนก่อจะมาเป็นกังวลกับเรื่องทุกข์ลำบากไม่ล่ะพิษพักมาขนาดนั้นล่ะท่านพูดถึงแล้วท่านเห็นไั้ท่านเวลามันกล่อมมันไม่เห็นไม่รู้ยิงเนี้มันละเอียดมากแหลมคมมากนะ้บอกมันดอกเพ่งไหนหลงทั้งนั้นมนุษย์เราว่ะเนี่ยไม่งั้นมันจะกรอบโลกได้ทั้งสามแดนโลกกัท่านเลย เรกาถามเร่องาตุจะมีเกิดแต่จับจายอยู่ไม่ว่าพบอย่างไหนไม่จะดีางามมากของมันยังไงให้หนีมันไปเลยมีพระหลานเท่นั้น พ, พระรพุทธเจานนมหน้ามันไปเพระวาขเห็นขั้มันเป็นพระไฉแล้วก็ขัดกับความเห็นคุณของธรรมเจ้าพระไฉเสีเยก่อนทำไมขั้นจะมีเมฆาสอนเขาไม่กลาง ม, มีกําลังมาก เรื่องความลำบากกระบนถึงไม่เป็นข้อขัดขวางมเป็นสิน่งขัดขวางทางกาเมืองประโยชใจว่คือยาข้ามมันยัไม่พ้นเรื่องการมาากัไปมันยังไม่เห็นข้อของเกลี่มากไงพอมันานไป้า ง, งา่้ย เห็นภายของที่อยมีมากน้อยมันเห็นตรงนั้นเห็นคุงข้า้องทํารทำก็ตรงนั่นแหละนั่นแหละที่ว่ามันหมุนเป็นอัตโนมัติเพาะความเห็นโทเห็นคุณนหลมันมันทาให้หมุนเป็นพลังสําคัญมากเลยตัวนี้เรากล่อบมากที่สุดของหุ่นธรรมราคะกรอบมากเล่เพราะมันผังไปแล้วก็มีเรเป็นเครื่องกร แบบผ่าผ่าพ้นผลเหมือนอันนี้วันนี้ก็มีเป็นแก บ, บนั่งพักนั่งฉุนคติปัญญาแล้วก็พอผ่านนี้ไปแล้วมันก็เป็นน้ําทําน้ําฉุนคติปัญญาที่ใช่ายยในวงอรุยภะคือแบพังทลายามมาากรรมการพังนี้่ต้องเป็นพระติปัญญาประเภทน้นําโจนลงมาจากภูเขาคติปัญญาต้องแรงมากขันจะเทือนไปหมดปรากฏว่าเป็นนั้นนะ เพราะอันนี้มันรุนแรงถ้าจิตวิญญาณที่จะต่อสู้กันมันก็เป็นต้องเป็นของรุนแรงโดยหลักธรรมชาติของมันเองนะจะว่าเราตั้งใจไม่ตั้งใจมันก็ไม่ใช่มันนพอเหมาะพสมกันกับว่ามาัชฌิมาคือเภพนี้รุนแรงมากซึ่งจิตวิญญาณที่ธรรมาชาติฝากวิเดเภทนี้จึงต้องรุนดรงประกาต า, ต า, างกันคือเหมือนกับ น, น้ำที่ไหลตัวลงมาจากภูเขาลงมานีหรือไหลลงมาจากหน้าผา ฉันน่นกระดิบัญญัคันนี้พผ่านอันนี้็นะล้รูปกายนีนก็ก็เป็นนามาทํานี่มันก็เป็นมันเป็นอัตโนมัติแด บ, บน้ำคับน้ำซุนไปมันหลหลินห้อนและอยากไห ล, ห ล, หลอันกาุอาถะรพ์าา ก, ก, การยวกรูปกาย มันรุนแรงสติ ป, ปัญญารุนแรงพอผ่านนี่ไแล้วมันก็เบาไปอย่างน้ํำชักน้ำขึ้นไรลินมันไม่ขาดวักขาดตอนไรลินอย่างนั้นเนีนยที่ว่าเพลินกับนอนนะตั้งแต่ขั้นอรุภะไปจนถึงนัน่นเนาะ สิ่งนี้มันจะไม่เกี่ยวข้องกับใครเลยคือมันเสียการเสียงานอยู่คนเดียววันยังข้ามลืมวันดิมคืนดิมไปร่ำไปแล้วเพราะมันอยู่กับงานงานนี้คืองานอัตโนมัติหมุนวมันอยู่ตที่นี่คือหมุนที่หมุนแกะหมุนขอหมุนขลอดมันไม่เหมืนหมุนมัดเข้ามาเลยตะก่อนแต่ก่อนเป็นอัตโนมัติน้ำเกลือเป็นอัตโนมัติเห็นก็ผูกเข้ามามัดเข้ามาจะยิน รูปเสียงถึงวยเคร่ง <necessary> ่ผ่านมากระาวของสมองเรื่องการมีแต่ผูกเข้ามามาเข้ามามาเข้ามาเลยอัตโมัติขอามันนี่พอถึงขั้นอมัของอวัยวะนี่มันก็มีแบบคลี่คลายออกคลี่คลายออกแก้ออกแก้ออกเฮ้ยเฮ้ยเป็นสัตโมัติแต่สำคัญตรงนี้เขาเป็นธรรมจักรโดแกรมงตะก่อนยึ้มเป็นวัฏจักรพอถึงขั้นมันเป็นธรรมจักรแล้วที่มึงธรรมจักรหรือวัฏจักรจับหมุนเพื่อถอนตัว การดึงโมาตกันแม้ก็ะทั่งการไม่ตามขัานตานของพิเสเดนผมิเดสดนมันหยางมันก็ออกสู้กันอย่างดุนแรงพอถึงขั้นเขาเหือเป็นน้ำซ้ำน้ำซึงพอสุดท้ายเขไปก็มันเรื่อยเข้าไปเรื่อยอันนี้ก็ทำให้เพินทันงตลา มันตองอยู่กหมูขั้วมาได้ผมใระยะตั้งแต่คุณไปแล้วมันอยู่ขั้วผมมาไดมื่นขท่าอยู่คนเดียวอยู่แล้วเพื่อพอมาพิจารณาธรรมะขั้นนี้ขิดขั้นนี้เนาะมันยิ่งนั่นเลยก็หมู่ครวไม่ให้ใไปเกดนั่นเขียนวาเวลามันเหมือนกับน้ำไหลบ่าคือตาักธรรมชาติของสัรชาติยานเนหล่ไปแล้วกันกรผิดชาบกันดยดอยู่นั่นแหละ ไ2เป็นสองไปสามเ ป, 3, ป็นสาเพรนเดียวเขต้องมีอะไรถ้านมันหลลงห่อเดียวคุุ่่ปลนกับตาไมนก็อยู่คนเดียวอยากกินก็กินไม่อยากกินก็เ น, นี่ยมันเป็นธรรมด า, ามสบายเลยกันนี้กินข้นามาถ้าไปกับหมูวัถ้าเราไม่ฉันไม่กินหมูวัวเป็นไงเนี่ยลองเนี่ยง่าสวก็คนเดวแล้วมัน่อยเลยเดินไปทั้งวันก็เป็นเดินกลมไปทั้งวันเนี่ยเดินเพียนตลอดงง ในสงครามมันทําเมีอำนาจมันก็เป็นอย่างนั้นเพื่อ่อนตัวลงไปเท่าไร้ยิ่งก็นี่ริ่งมียมหน้าถึงไม่ท่ากันหมากเพนมัเหมาะมเพราะว่ามันกลัวอรท้นะนงนั้นะลักเนี่ยคุยเขี่ยขุดค้นในหัวเงนะี่ยเจอจนได้ฆ่าไปเป็นนักเป็นาการเป็นนักเป็นการในอีตแรกนะตัดกริงนั้นตัดจริงนี้ถ้าเป็นจริงก็ดี ทำในท่เดยวก็ค่าตัวนั้น่าตัวนี้เลยป็าเพศต่างๆนั้เนเรอะ ม, มากๆห้นักัไปเป็นกิ้นเป็นอันกไปเรื่อยๆเรื่อขั้นวาระสุทานอนั้ น, น, น, นม่ต้องบอกขันข้นเองจอ ง, งจนะครับจะพูดมันเต็มปากเลยว่ายืงขัง้นวาิะาใครจะไปถอนมันตั้งใจถอนมันนี่เป็นอัตโนมัติ พอถึงที่มันจะเป็นองมันแล้วมันทวดเดียวเลยอันนี้ทวดเดียวตอนนั้นตอนนั้นตัดมาเป็นดับดั บ, บดาพอถึงดับแก้วแล้วมันทวดเดียวน่ะและหมดไปเลยนี่แหละมันอยู่กับผิดไม่มีที่ไห น, นอยู่กับผิดไม่มีทางออกกระด้างที่เคยเทือดนะ่ะถูกตัดเข้ามาสะพานนอนทางเดินของมันตัดเข้ามาตัดเข้ามาด้วยความรูปเจ็ดหิงจีนปล่อยวางมาเดยดัดดับดานี่มันก็หดตัวเข้าไปหดตัวไปตัวไปสอดแสบหาอาหารมันไปไม่ได้ทางรูปเสียงถึงด้วกระด้างผัด ตาหูจมูกเป็นทางเดินออกไปจากตาหูจมูกนี่มันพิจารณาเข้ามาตัดเข้ามาตัดเข้ามาวนเข้ามาจนกระทั่งถึงกายทางนี้เข้าไปตัดเข้าไปตัเข้าไปเวทนาทัญญาทั้งขาทั้งแขนที่แดดไม็ว่าอันนี้เป็นนั่นอยู่ทีนี่พิจารณาเข้าไปพิจารณาแล้วมันก็เป็นจริงเข้าไปละเอียดเข้าไปแนี้แหละะเอียวไปก็ไปสมอยู่ในจุดเดียวตอนนี้ก็เป็นปรื่องจิยาการทีุู่กนิดลูกนิดมันก็เห็นชัดนั่นนี่แหละพิ่ัติภาคปฏิบัติทันติโกมันเห็นอย่างนั่นอย่างไรมันรู้อยู่อย่างนั้น เขาจะมาค้านสามแดนเรากัท่านมันก็ไม่สนใจต่างเพราะความจริงมันอยู่กับเราไปฟังใครเพราพูดอยู่ปากของนู้นความจริงอยู่กับเรานี่เห็นกันอยู่นี่รู้อยู่นี่นี่นี่นะองค์พทะเจ้าจักรพรรดิองค์เดียวยิ่งสามารถสอนโลกได้ทั้งสามโลกความจริงอยู่กับพวกองค์เราเรายังขี้หมูขี้หม า, าตัวหนูตัวนึงเท่านั้นเท่ากับหมดตัวนั้นมันก็ยังฟอมาพูดได้หะความจริงมันเต็มในหัวใจนไปสงสัยที่ไหนไป มุมเงาที่ไหนกันมาไงอาการทั้งห้างอกเวทนาปัญญาทั้งขามนุษญาตที่มีอยู่ตามความละเอียดของมันเส้นเวทนาภายในจิตมันก็มีของมันมันมีสุขสุขละเอียดมันจะมีคู่ละเอียดเนี่ยมันเป็นคู่กันอยู่นั่นเนี่ยเวทนาทางจิตถ้ามันยังปล่อยตัวไม่ได้นากฐานของมันมันมีอวิชชาเวลามันยึดติดนั่งมันไม่มีที่ยึดมันก็ยึดใจที่ฮะ หนี้นังายึดไปหมดพอถูกตัดออกด้วยปยัญญาแล้วเข้าไปก็ไป่มีทางยึดผมมายึดทางกายตัดทางกายเข้าไปแล้วก็ไ ป, ปยึดพวกานา ม, นมารําในธนาสัญญาังาิญาณพิจารณาก็ไปชัดเข้าไปเข้าไปก็ปลอยเข้าไปปลอยเข้าไ ป, ไ ป, ไปสุดท้ายก็ยังเหมือแต่จใจมันมีทางปัปมันกะไปติดนจนได้ <laughs> นี่เวลามันยังไม่รอบนะแต่ว่าติดมันติปัญญาคั้นี้มัน ม, ม, ม, ม, มันมันติดแบบจมนะ ถึงแต่ติดมันก็จอกมันอยู่นิพิจารณาของมันอยู่นั่นหากติดเนียหักพิจารณาเนมันอยู่เฉยเฉยไม่ได้สติปัญญาคั้นนี้มันเป็นอัตโนมัติอย่างบอกเลยคือจะแสดงว่าเรื่องมันยังมีอยู่มันต้องก็หมุนของมันอยู่นั่นเราจะเห็นในชาตเวลามันหมดเรื่องแล้วมันก็หมดหมุนไปนี่นี่ที่เป็นสัพพิพยานกันคือมันเป็นเหมือนรถไฟได้เชื้อว่าที่ที่เชื่อมันอยู่ในหัวใจในใจมันก็หมุนของมันอยู่นั่นอะไรนั้นรับอะไรแยกออกมามันก็รู้เสียว่านี่เป็นเป็นอากาศเนี่ แย่มมันก็เป็นอาการเขารู้เสียตัวจริงมันเป็นไงเนี่ยเหมือนกันอยู่นั่นปอยมุนหมากไปพ้นนี่มันก็ทรวดฟ้าดินถล่มเป็นไรหรเวลาถอนก็มันเคยฝังอยู่ในหัวใจมันนานแสนนานเท่าไหร่เวลามันถอนตัวไปมันจะไม่เหมือนฟ้าดินถล่มเลยถ้าจะพูดอยากรู้โลกมันเดหมือนก็ว่าจะเทือนโลกกระถางนั่นแหละ ความตื่นความตกใจหรือความอัศจรรย์มันมาพร้อมๆกันหมดความเห็นไทยเวลาไทยมันล้มนานาไปแล้วถึงมาเห็นมันโอ้โ ห, โโหนะแล้วความอัศจรรย์มันก็ขึ้นในขนาดเดียวกันมันทั้งสองอย่างมันกระทวนเลยสิอวิชาจงลงไปฟ้าดิมถล่มอวิชาวิมุตต์โผล่ขึ้นมาตรงนีขนาดเดียวกันมันจะไม่แสดงความแปลกปลาดอาจารย์นในขนาดนั้นจ ะ, จะแสดงขนาดไหน ไมนมีขนาดไหนที่จะกระเทือนถึงสามแดนโลกธาตุถ้าจะพูดถึงสารดโลกธาตยิ่งกว่าขนาดนั้นเวลาเป็นข่งมันขนางมันสิ่งของไปแล้วมีแต่ความมหัศจเหนือโลกมันเหนือโลกมัศร์กับเหนือโลกเสื่มนันจะทำให้เกิดความท้อใจ มันเป็ย่อมแต่ถึงพระพุทธเจ้าเหมือ น, นกันนะพระพุทธเจ้าที่ว่าทรงปรารถนาว่าจะเป็นจักรดาวสอนโลกพอถึงภูมินั้นแล้วเกิดท่อประไททําความผิดน้อยเพราะว่านี่ว่าเป็นสืวิสัยของโลกที่จะรู้ได้เห็นได้ที่แรกเพราะว่าไม่กระจายไปถึงปฏิัติทาไม่เห็นเฉพาะในวงปัจจุบันี้ก็เป็นสิ่งที่สื่อวิสัยของโลกที่จะรู้ได้เห็นได้สอนปอังญาดุกะกับอันนี้มันไม่ใช่จะเป็นวิสัยจะเข้ากับได้มันคุยง่ายว่างั้นในขณะนั้นจะไปสอนอะไรกัน ถ้าพูดเชื้อภาษาเราก็ไปสอนที่ไหนก็จะว่าเราบ้าสนะั้นๆแต่เขาเป็นบ้าเนะี่ยไม่สอนอยู่นี้มันสบายอย่างนี่พอถึงวันตายนั้นก็พอแล้วเนี่ยมีสอนใครก็จะว่าบ้าหมดแหนขณะดที่มันเติบโตในวงปัจจุบันมันยังไม่กระาจายปฏิบัติศาสนแต่นั้นมามันก็แยกก่อนนะพี่ถ้าเราเป็นของอศาจารย์เหนือโลกเหนืออุสารแล้วมนุษย์มนราที่จะรู้ได้ไม่มีใครจะรู้ได้เห็นได้เราเป็นอะไรเนี่ยถ้เาเป็นมนุษย์เป็นอะไรท่ามาทำไมรู้ได้เห็นหน้ารู้ได้เหรอเพราะอะไรเนี่ย ทีนี้มันก็วิ่งไปถึงปฏิปาทาด้ยเพอเห็นนั้นนั้นนั้นเนี่ยก็เมื่อพูดนี้เขาฟังแนะนําสอนเขาด้วยความเหตุกวามอุบายตามทางเดินมานมันก็รู้ได้เห็นได้ยแบบนี้แต่เรายังรู้ได้เราทอดอย่างนั้นอยงนั้นเขาทําไมจเขาจะไม่รู้ได้พเพราะอย่างนั้นนั้นเหมือนกันกับเราวะนี่มันก็มีแก่พระไทยมีกระจายอ๋อเนี่ย <c oughs> มันก็เบิกกวา้างอะไรทีนี้เพราะเอา ป, ปฏิปทาเครื่องดาเนิน ทางจะไกลบ้านอยู่ไหนจะไกลแสนไกลาทางมีมันก็ไปถึงกันได้เนี่ยบ้านขีดชั้นขีดหักนะทางอย่างนก็ขึ้นได้เนี่ยขึ้นบันไดขึ้นดิฟอะไรก็แล้วแต่มันขึ้นได้เนี่ยอันนี้มีทางนี่ปฏิปทาขึ้นมาเรนมีนี่นั่นทำไมจะรู้ไม่ได้ขอที่สอนให้มันถูกต้องคือสอนให้มันตามเลอกความจริงนี่เถอะสอนผู้มุ่งความจริงมีอยู่นี่เนี่ยไม่ใช่จะเลีวไหลเลียวแหลกไปหมดมนุษย์ พูดมุ่งความจริงมีอยู่ความจริงกับความจริงก็เข้ากันได้สนิทเลยเข้ากันได้ง่ายเลยน่ะนี่ก็ปรุงภาษาไทยปรยงสอนเวมีพิกเวใส่เป็นเจ้าที่ทั้งห้าก็พุ่งเลยนะ่ะเห็นไหมนั่นผู้นัน้นถนอมนี่เป็นพูดพร้อมแล้วเพื่อความจริงทั้งนี้ก็เป็นความจริงล้วนแล้วความจริงกับความจริงเข้าสู่กันทีนเดียวมันก็ผางเลยนะั่นคินเวเมที่ตเวอันตาบาปเจนเว เ, เซต บ, บาร์อันนั้น ผิดอนนั้นผิดจยาไปนะมัชฌิมาปฏิปทาขึ้นไปตรงนี้ให้ไปตรงนี้ทางนี้หนึ่งนะการเมืองทางนโยกผิดอัตจีนธรรโยกผิทางผิดทางแยกนียายายาแยกไปนะมัชฌิมาปฏิปทาสถารัตนิสัมบุชาจ๊คคุกวินงานกันนิวปัตมารจะพิมายสัมบูร์ไดสัมบูายนิบสร้างวตินี่เชยที่ดังอะไรสมาธิสมาสกโปขึ้นนี่นี่ทางเดินตรงนี้เอพินานี่บอก ให้เยียบลงไปตรงไหนก็เยียบลงไปในสัจธรรมทั้งสี่นี่เยียบตรงนี้น ะ, ะบอกหนาะเห็นไหมธรรมาที่จะมาสักคำโปรดจะให้กล้าลงที่ไหนเอากล้าลงที่นี่เนี่ยพูดง่ายๆลงในสัจธรรมทุกสมุรรรมทัยนิโรธมากลงใน ส, สติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตทรพเอาอนี้แหละทางที่เอาเยียบลงตรงนี้ะนะเอาสติปัญญาเหยียบตรงนี้คือหย่างลงตรงนี้พูดง่ายๆหนาบอกแล้วนี่ก็พุ่งพุ่งเหี้ยรูปังอนัตตาเวทนาตาสัญญาตาสังขารตาเห็นไหมอนัตตาสังขารสุข ทางอัตตานั่งอัตตาอัตอตลปล่อยป่อยยา ย, ยืดปล่อยปล่อยเรื่อยเรื่อยัอยอนนี้กอันนี้จังทุกคังตามีแต่ขวากแต่ามีแต่ปืนไปปล่อยป่อยยาเยียบยาย่างยาแตะยาปรยหยัดาไปยืดถ้ยายมันอยาให้ถูกเผาทั้งมือหนักหุ่นงาหลังมังนมก็บว่าตีขมุนไว้เอาก้าวนี้ตีขาไว้ไอ้ก้าวไปตรงนี้จะก้าวบรงนั้นก้าวไปเรื่อยก็เอาอันนีก้การุกคั้งอัตตาเป็นทางเดินที่ทงานนี้ปล่อยไปเรื่อยเข้าใจเรื่อยเื่นะ รูสึกต ม, ร, ม, ก ร, ตมก ร, ร ะ, ะาทอะไรอย่างกัต่ๆๆางกยางนประมากะชาติเลแต่พูดตามความริง น, นี้ผมก็เคยพูดแล้วเมนะสำหราาักอนาคตสุป ถ, ถ้าเราจะพูดตามสูต ร, ร, รถถิงิ่งหรับผผมไม่สนิท น, นะแต่อริสสัพพยาสูตรผมลงร้อยกสเพราะผาปฏิบัติเป็นท่้นนี่ผมคิดว่ากล้าจะคิดว่าท่านเทศท่านอันนั้นเห็นว่ามากอะไรแล้วท่านย่นออกมาอย่างนี่ผมก็ไม่สมิใจมันเลยไปลงเอาพูดที่ ตรวจจะลึกเมากพูดตรวจะลึกเป็นผลประเทศใดถ้าเป็นพระสารตรวจจะลึกแล้วจะเป็นผูมิเหมือนอย่างอนัตติจักรปยิสุอนั้นผมหาที่แยกมาได้เลยภาคปฏิบัตินะลงได้อย่างสะดิดไร้เศษส่นแต่นี่ไม่เป็นอย่างนั้นนะอนัตตลกนณะสูไม่ลงจิตนี่อืรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอนัตตาพออันนี้เป็นอาจารย์เราเบื่อน่าย นี่มีดังเรื่องจิตวิรายาวิบูจิติไปเลยคือเมื่อเบื้นายในอาการตั้งห้านี้ ย, ย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายมาแล้วยังมหลุดพน้นเบื้นายเพียงห้านี้มันดลุดพ้นได้ยังไงถ้าภาคปฏิบตัติมันไปกองอยู่ในจิตนั่นน่ะนี่ยนเห็นได้ ช, าชาัดชัดเในภาคปฏิบัติเรามันเป็นอย่างนี้นี่นะนั่นคือมันเอาความจริงนี้ออกมายันกันพอถึงอดิตับวิลายสูตรถ้าแหมเแจี่ยนก็เหยียดมากนะห้ารูปติมิ่งปีริเบติจักรคุติมิ่งปีริเบติเนย คือเบื่อหน่ายทั้งทางรูปทั้งทางตาเนี่ยทั้งทางเสียงทั้งหูเนี่ยย้อนหน้าย้อนหลังเงยเอยตลอดถึงสิ่งที่มาสัมผัสสัมพัก์กันก็มันให้เกิดสุขบ้างทุกข์บ้า ง, างอะไรบ้างมันเืบืาา่อหน่ายเบื่อหน่ายไปหมดทั้งปุกทำทุกเรื่อยจนกระทั่งถึง ม, มันิพิริบติทําเมติิินแล้วก็วิญญาณในปีิปิติว่าไปหมดเบืาา่อหน่ า, นายในจิตเบื่อหน่ายในธรรมคือเครื่องสิ่งที่มาสัมผัสกับจิตอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากจิตเบื่อหน่ายแล้ว ว่าอารมณ์มันเกิดขึ้นมันจะได้เป็นถูกเปนทุกข์เป็นธนาอะไรอนะไรขึ้นมาก็เบื่อหน่ายมาหมดเบื่อหน่านี่ท่านเอาละเอียดมากนะนี่เข้าถึงจิตแล้วเบื่อหน่าเข้าถึงจิตแล้วก็ถึงธรรมธรรมก็หมายถึงอวิชชาอยู่ในนั้นในว่าง น, นีเข้าถึงนั้นหมดเลยจึงแต่กระจายเลยแล้วนี้เป็นดาวนี้จะผีเรื่อยเลยนี่ลองเต็มที่ผมแต่นั้นแต่ล้วก็าสูตรนี้ไปถึงพันห้า้นั่นใส่น้ำหมด ถามแต่คุณริยะคุณอาธารโอคุณยะเวทีแล้วเขพูดไปตามแบบประยัดยอะแล้วแบบเฮ้ยปรยิยะเราก็เรียกนกันเหมือนนอย่างให้ท่านแยบในทะางภาปฏิบัติท่านไม่แยกท่านก็พูดอย่างนั้นก็ถูกต้องแล้วเราก็เลยยึดเพราะเราพูดไม่ได้พูดด้วยความหนักใจอะไรนี่เราพูดตามความจริงที่ในภาคปฏิบัติที่ได้ปฏิบัติมาอย่างนี้อย่างนี้เป็นอย่างนี้แต่ทำไมอนนั้นมันเป็นอย่างนั้นท่านั้นเองแล้วมันเป็นแบบไปหามไปยึดถืออย่างไรถึงว่าทุกควรจะพูดกัน ก็ปรปับปรุงควาเข้าใจหรืออะไรกันมันมีแงกคิดกันบ้างแต่ท่านไม่ไปนั่นท่านกับไปปริยัตท่านเสีย ป, ป ร, ริยัติน้นก็เรียนเหมือนกันเจ้าอรียนบรคปวดปริยัติมาปวดอะไรมันก็น <laughs> นนนคําพีเดียวกันสูตรเดียวกันว่าเรียนมาด้วยกันจําได้เดียกันคําแปลก็รู้ได้เดีวยวกันเนี <laughs> ่ยมันก็เลยยึดพราะถามแล้ว <laughs> อ น, นัตตาการสุแต่แต่ไปถึงพอขันหน้าจบแล้วก็ไปเลยเบื่อหน่าแล้วจิตมันยังไม่ถึง อ้นั่นทําให้คิดไปถึงเรื่องคุณรัชนานี่ทําให้คิดไปหลายนั่นเหมือนกันนะทุกวันนี้แต่ก่อนผมไม่ได้คิดอะไรมากนั่นแหละก็เกี่ยวข้องกับผู้รัชนาคำพีเหล่านั้นแหละนั้นมานะ่ะเป็นคนประเภทใดนี่ถ้าเป็นประเภทอลัลลฮันน์นั่นมันจะถึงใจถึงใจมาเลยเป็นแบบเดียเพราะเอาความจริงมาอันนั้นกลางมาอันนี้ความจริงอันนี้อยู่ในหัวใจนี้มันยิ่งถึงกันปัป๊บปับปร ะ, ะสานกันอย่าง น, นี้อันนี้เอาแต่ความจำท่นานวางนะพี่มิเอาความจําไปใส่มันไม่มีถึงขั้นมันมันหลุดมันขาดตกไปได้ ถ้าลงความจริงมันฝังในหัวใจแล้วหน้าไปตรงไหนมันสัมผัสสัมพันธ์กันภาษากันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อยนมันก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยเอาเราเรายกตัวอย่างเช่นหนึ่งเราจะไปพูดเขียนประวัติของพระละหันเอาเรารู้ซิเพียงความจํำเรานี่เอาประวัติของจะเขียนพระพุทธบาทเรท่านของพระละหันให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมันเป็นไปไม่ได้ผมว่างั้นเลยถ้าเป็นพระละหันเขียนประวัติของพระอะหันนั้นเต็มหมดเลยเนี่ยเพราะความจริงมันเป็นอันเดียวกันท่านผ่านไปแล้วก็ตามความจริงในนี้มันรู้อยู่มันไม่ผ่าน มันวิ่งถึงกันหน้าโป๊ะเลยนี่ตอนถึงขั้นทำถึงขั้นทําละเอียดอนี้ตอนนั้นจะไปไม่ได้นะเอาเทียงความจําไม่ใส่มันไปไม่ได้ถ้าไม่มีความจริงเป็นเชื่อวิ่งถึงการประสานงันกับประวัติของท่านนั่นนะมันสำคัญเราไม่เป็นไงโง่ง่ถึงแต่มันอาหารแบบเขาโง่รือเป่าเรานีอาหารแบบมึงโง่หรือเปล่ามันเป็นอย่างนั้นจ่ิงจริงโอ้ใครจะไปชัดยิ่งกว่าจิตดูจิตวะ ให้ประชาชนจิ้กัจริงจิตรู้ความจริงวะนั่นหนึ่งึงไมกล้าพูดว่าสานเด่นธระมชาติไม่มีอะไรที่มาขัดทานได้มาลบล้างได้นะถ้าลงในจิตมันถึงความจริงแล้วเพียงอันเดียวเท่านั้นพอแล้วนี่จึกล้าพูดแบบผู้ที่เจ้าเพียงพระองค์เดียวท่านั้นสามารถสอนโลกได้ทั้งสามเด่นธรรมชาตเพราะอะไรเพราะความจริงเต็มพระไถ่เนี่ยพราะนั้นก็มีความจริงอะไรน้อยทังน้อยพันทั้งพันหมื่นหมื่นแสนแสนั้นล้าน้ามันก็มีแต่บ่บ่บ่บ่ไมหมดอันนี้อันเดียวเท่านั้นจริงเลยเนี่ยมาเดียวพอเนี่ย เนี่ยนพูด้นมากไปใหญ่ะเลิกเลยอเลิกันะ